ของกาศท่านอาจารย์ขอบกาศเพื่อนสหธตตมิกทุกองเจริญพรทุกทุกท่านวันนี้ทางสมรมนิมนต์หลวงพ่อเทศเรื่องจิตตาภาวนาควาจริงหลวงพ่อเทศอยู่ได้เรื่องเดียวคือเรื่องจิตตาภาวนาคือหลวงพ่อไม่เห็นว่าอะไรมันจะสําคัญ เท่ากัการฝึกจิตฝึกใจของเราเองเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้จิตเป็นตัวนำเราไปสู่ทิศทางต่างๆจิตที่เร็วก็นาเราไปสู่สภาวะที่เร็วจิตที่ดีก็นำาสู่สภาวะที่ดีจิตที่ฝึกได้สมบูรณ์เต็มที่ก็นำเราไปสู่ปรับพทุกข์ที่ถาวรทุกคนแสวงหาความสุขกันมาตลอด ลูกเล็กเด็กแดงนะจนแก่จนเฒ่าจริงๆแล้วทุกคนก็อยากได้ความสุขด้วยกันทั้งนั้นก็สแสวงหาความสุขด้วยวิธีต่างๆคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนั้นหาความสุขด้วยการสแสวงหาอารมณ์ภายนอกนมีความสุขเพราะการดูรูปเพราะการฟังเสียงเพราะได้กลิ่นเพราะได้รสเพราะได้สัมผัสที่ถูกใจเพราะได้คิดนึกเรื่องราวที่สนุกสนานถูกอกถูกใจ ความสุขจากภายนอกนี่มันอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายเรื่อความสุขการแสวงหาความสุขออกไปภายนอกเนี่ยมันไม่ได้ความสุขที่ถาวรจริงเราไปดูรูปที่สวยไปดูหนังดูอะไรมีความสุขไปเดี๋ยวไปดาวเดี๋ยวความทุกข์ก็ตามมาอีกละไปฟังสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ถูกถูกใจไปฟังเสียงเพรอะๆมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวความทุกข์มันก็ตามมาอีกละ การหาความสุขด้วยการเพลิดเพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนักปรัชทั้งหลายท่านเห็นว่ามันไม่มีคุณค่าเท่าที่ควรหรอกเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็เห็นว่าท่านเป็นเจ้าชายมีกามสุขมีความสุขในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอยู่มาจนอายุยี่สบมันไม่อิ่มมันไม่เต็ม ท่านก็อยากได้สิ่งซึ่งมันเป็นอมะตะมากกว่านั้นความสุขอันต่อมาที่พวกเราสแสวงหากันไม่ใช่กามาสุขแล้วแต่เป็นฌานสุขเป็นการฝึกจิตให้สงบแล้วก็มีความสุขอยู่กับการที่จิตใจเราสงบเจ้าชายสิทธ า, ทาออกจากวังมาสิ่งแรกที่ไปทำก็เหมือนกับที่พวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัติธรรมนั่นแหละ เวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัติธรรมนัสิ่งแรกที่เราทําก็คือการนั่งสมาธิแล้วก็คิดถึงเรื่องเหล่านี้ก่อนเจ้าชายสิทธาถาก็าคิดอย่างนั้นแหละท่านก็ไปหัดนั่งสมาธิมีความสุขจากสมาธิฝึกอยู่ไม่นานท่านก็จบหลักสูตรของสมาธิท่านได้เนวสัญญานาสัญญายตนะได้ฌานที่สูงที่สุดที่ฌานของปุถุชนที่สูงที่สุด อาจารย์ก็ชวนบอกว่าจบหลักสูตรแล้วให้มาช่วยกันสอนบุญบารมีท่านแก่กล้าท่านบอกบอกอาจารย์ว่านี่มันไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการหรอกมีความสุขจากสมาธิไม่นานมันก็เสื่อมเสื่อมแล้วมันก็ทุกข์อีกนี่ยังไม่ใช่ทางที่จะเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์ที่แท้จริงท่านก็ออกสแสวงหาด้วยตัวเองเมื่อทำฌานไม่สาเร็จ ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่พ้นทุกมาฝึกท ร, รมานตัวเองท่านก็ไม่ได้ท ร, รมานโง่ๆครมจริงก็มีเหตุผลที่ท่านต้องท ร, รมานคือคนในยุคนั้นเขาเริ่มรู้แล้วว่าตัณหาเนี่ยทำให้เกิดทุกข์ความอยากในศาสนาอื่นนะบางศาสนาเนี่ยเขารู้ว่าต้องทำลายตัณหาแต่วิธีทำลายความอยากถ้ามันอยากก็แกล้งมันเนี่ย มันอยากกินไม่กินมันอยากนอนไม่นอนมันอยากสบายทำให้มันลำบากเนี่ยแกล้งฝึกฝืนกิเลสนะฝืนจิตฝืนใจไม่ใช่ฝึกโ ง, ง่ๆนะไม่ใช่อยู่ๆก็ไปทรามานแบบไม่มีเหตุผลอะไรหนุนหลังจริงคนเหล่านี้ไม่ใช่คนโง่เลยเป็นคนที่สแสวงหาความพนทุกข์อยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสบายทำให้ลาบากเนี่ยหวังว่าวันหนึ่งจะสิ้นตัณหา แล้วผ่านไปหลายปีห้าหปีท่านก็พบว่ามันไม่สิ้นหรอกความอยากมีต้องเยอะแยะเดี๋ยวอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งทางใจสุดท้ายท่านก็พบว่าการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสเป็นเจ้าชายเพลิดเพลินในกามมาสุขไม่ทําให้ผลทุกการมาบังคับจิตมาฝึกจิตให้นิ่ง ก็ไม่ผนทุกการมาบังคับกายทรมานกายก็ไม่ผนทุกท่านก็คิดถึงสิ่งที่เรียกว่าทางสายกลางทางสายกลางนี่แหละคือการฝึกจิตใจเบื้องต้นท่านคิดถึงการทําสมาธิชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสมาธิอัตโนมัติมันเกิดขึ้นตอนท่านเด็กๆคือไม่ใช่เรื่องประหลาดว่าทําไมอยู่ๆเจ้าชายสิทธัตถะอายุไม่กี่ปีลุกขึ้นนั่งสมาธิเป็น สมาธิชนิดนี้ไม่เหมือนสมาธิที่ท่านเรียนจากฤาษีสมาธิที่ท่านเรียนจากฤาษีนั้นเป็นการน้อมจิตให้ไปสงบให้ไปนิ่งให้ไปว่างอยู่ในอารมณ์เดียวแต่สมาธิที่ท่านได้มาตอนเด็กๆนั้นเป็นสมาธิแห่งความรู้เนื้อรู้ตัวท่านหายใจท่านหายใจทำอนาปานสติแล้วจิตของท่านตื่นขึ้นมาตรงที่จิตตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่ง เป็นสมาธิที่คนในยุคนั้นไม่มีใครรู้จักท่านนึกถึงสมาธิชนิดนี้ได้ท่านทาอาณาปนาสตินี่พวกเราบางคนศึกษาพุทธประวัติไม่ดีเราก็คิดว่าพระพุทธเจ้าบรรลุพระอราหันต์ด้วยการทาอาณาปนาสติที่จริงไม่ใช่ท่านทาอาณาปนาสติหายใจด้วยความรู้สึกตัวผู้บัลลังตั้งกายตรงดารงสติเฉพาะหน้าเห็นไหมมีสติอยู่นะ หายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวมีความรู้สึกตัวอยู่เห็นร่างกายหายใจอยู่ใจเป็นคนดูอยู่นี่เป็นสมาธิชนิดที่สองนะเรื่องคนอื่นไม่รู้จักท่านเป็นขึ้นมาโดยอัตโนมัติตอนเด็กๆไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเป็นนะพวกเราถ้าได้เคยฝึกสมาธิชนิดนี้แล้วเนี่ยในชาติก่อนๆเนี่ยเวลามาอยู่ในชาตินี้ตอนเด็กๆมักจะขึ้นมา มันจะมาของมันเองแต่มักจะมาตอนที่เราต้องกระทบกับอารมณ์ที่น่ากลัวอารมณ์ที่รุนแรงหลวงพ่อตอนเด็กๆไม่ได้เทียบท่านนะไม่รู้จะเทียบยังไงเล่ายัางไงหลวงพ่อตอนเด็กๆอายุสักสิบปวบได้ไฟไหม้ข้างบ้านบ้านเป็นตึกแถวนะอยู่วรจัสนี่แหละพอไฟไหม้ข้างบ้านมองเห็นห่างไปสี่ห้าห้องลูกขึ้นวิ่งไปจะไปบอกผู้ใหญ่ วิ่งก้าวที่หนึ่งก็กลัวอยู่นะก้าวที่สองก็กลัวก้าวที่สามเนี่ยจิตมันตื่นขึ้นในฉับพลันเลย mm hmm. มันรู้สึกตัวขึ้นโผล่ขึ้นมาเลยความตกใจความกลัวนั้นขาดสะบั้นลงตรงนั้นเลยกลายเป็นความรู้สึกตัวเดินไปบอกผู้ใหญ่ว่ า, าไฟไหม้ผู้ใหญ่ตกใจเราก็ไปดูผู้ใหญ่ตกใจเราไม่ตกใจด้วยมีพระองค์หนึ่งท่านก็เล่าให้ฟังว่าตอนท่านเป็นวัยรุ่นยังไม่ได้บวชไปเที่ยวงานลอยกระทง แล้วเขาจุดพลุใกล้ๆตัวท่านท่านไม่ทันรู้ตัวว่าเขาจะจุดพลุตูมขึ้นมาท่านตกใจพอตกใจเนี่ยสติระลึกรู้ความตกใจน่ะจิต ด, ดีดตัวผางขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลยเนี่ยของถ้าเคยทํานะมันจะทําได้จะง่ายนี่พวกเราถ้าชาตินี้ตอนเด็กๆ เ, เคยรู้สึกตัวมาเนี่ยการภาวนาก็ไม่ลําบากมากแต่ถ้าเราไม่เคยรู้สึกตัวเลยเนี่ยกว่าจะรู้สึกตัวได้นี่นะ ก็หนักหนาสาหัสเอาเรื่องเหมือนกันแต่ฝึกได้ช้างม้าวัวกวอยังฝึกได้เลยนะคนทำไมจะฝึกไม่ได้เจ้าชายศีทธถ า, าทำสมาธิชนิดที่สองคือจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาถัดจากนั้นท่านเจริญปัญญานั้นสมาธิสมาธิเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเท่านั้นสมาธิชนิดที่ถูกต้องนะที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ส่วนสมาธิที่ท่านทิ้งมาจากฤาษีนั้นเป็นสมาธิที่จิตสงบแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวอันนั้นจะไม่เจริญปัญญาเป็นที่พักผ่อนเฉยๆนั้นเราต้องแยกให้ออกว่าสมาธิมันมีสองอย่างนี่เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนถ้าเราอยากทำจิตตาภาวนาเนี่ยถ้าเราแบ่งกลุ่มของจิตตาภาวนาออกไปก่อนมันมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือทำสมาธิฝึกสมาธากมฐานฝึกอีกกลุ่มหนึ่งคือการเจริญปัญญา ทำสมาธินั้นสมาธิแยกได้สองชนิดด้วยสมาธิชนิดที่หนึ่งให้จิตสงบแนบแน่นอยู่ในอารมณ์ันเดียวไม่หนีไปที่อื่นอันนี้ใช้สำหรับพักผ่อนสมาธิชนิดที่สองเนี่ยฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาร่างกายเคลื่อนไหวจิตจะเป็นแค่คนดูความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในกายความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในจิตจิตเป็นแค่คนดูจิตจะถอนตัวออกมาจากผู้แสดงนะมากลายเป็นผู้รู้ผู้ดูไป เนี่ยสมาธิชนิดนี้อาภัพที่สุดเลยไม่ค่อยมีคนรู้จักมันก็เช่นเดียวกับสมัยพุทธกาลก็มีแต่สมาธิให้สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวเป็นเรื่องธรรมดาพวกเราเองกับคนสมัยพุทธกาลแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะพอๆกันนะเมื่อพูดถึงความไม่เอาไหนก็ใกล้เคียงกันคนที่สนใจจริงๆมีบุญวาสนานะีก็ภาวนาได้ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่หรอก นี้พเจ้าชายศรีธัฏฐ์จิตท่านเป็นผู้รู้ได้แล้วนะท่านก็มาเจริญปัญญาท่านมาดูทุกข์ท่านดูเป็นที่ทุกข์เลยอะไรมีอยู่ทุกถึงมีอยู่ท่านพบว่าชาติมีอยู่ชาติก็คือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจทําไมจิตไปหยิบฉวยขึ้นมานจิตไปหยิบฉวยขึ้นมานะเพราะจิตมันดิ้นรนปลูกแต่งจิตมันมีเจตนามีเจตนาเกิดขึ้ น, นเจตนาเนี่ยแหละเป็นตัวพบ นี่พอท่านดูไปนะท่านทวนไปด้วยสภาวะที่ท่านเห็นเนี่ยร่วนแต่เป็นรูปธรรมนามธรรมาทั้งสิ้นเลยนะตัวทุกข์ก็เป็นรูปธรรมนามธรรมานะตัวชาติก็เป็นรูปธรรมนามธรรมเนะนี่ยท่านเฝ้าดูลงไปตัวทุกข์ก็คือขันธ์ห้านั่นแหละเห็นเะท่ารูปทั้ ง, งนามไล่ลงไปนะจนถึงอวิชชาอาวิชชาเป็นนามธรรมา ท, ท่านพบว่ามีแต่รู ป, ปรนาม ซึ่งอาศัยกันเกิดสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงรากเง่ามาจากความไม่รู้อริยสัจคือตัวอวิชชาเพราะฉนั้นสูงสุดของการเจริญจิตตภาวนานะคือการทําลายอวิชชาลงไปให้ได้ฉะนั้นจิตตภาวนานี่มีหลายขั้นนะหลายเกรดเบื้องต้นนะเป็นแค่ว่าทํายังไงจิตจะสงบสเต็ปที่2องนะทำยังไงจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดู ไม่ใช่ผู้สแสดงแต่เป็นผู้ดูขั้นที่สามทำยังไงจะเกิดปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจของาธาตุของขันธ์ของอายตนะของอินทรีย์คือของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั่นเองงั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนต้องเรียนอยู่อยู่รู้ด้วยตัวเองไม่ได้นะเพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้เราต้องฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า งั้นวันนี้หลวงพ่อจะมาสรุปให้ฟังนะว่าสิ่งที่เราจะฝึกสามประการนะั้นเราจะทําอย่างไรอันแรกทําอย่างไรจิตจะสงบอันที่สองทำอย่างไรจิตจะตั้งมั่นอันที่สามทำอย่างไรจิตจะเห็นความเป็นจริงของาธาตุขันของกายของใจนะถ้าจิตเห็นความจริงเรียกว่ามีปัญญาถ้ามีปัญญาเนี่ยจิตจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้น พระพรุทธเจ้าท่านบอกไว้เลยว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสิ่งอื่นเนี่ยทำไงเราจะเกิดปัญญาเห็นความจริงคือเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจนี่คือขั้นของการเจริญปัญญาเป็นงานเรื่องที่สามที่เราจะต้องเรียนเรื่องแรกทำยังไงจิตเราจะสงบอันนี้ใครๆก็ทำาศาสนาอื่นเขาก็ทำพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ถ้าหากเราเจริญปัญญารวดไปเลยนะไม่เคยได้พักเลยมันก็เหมือนคนที่ทำงานหนัก24ชั่วโมงไม่ได้พักถ้าไม่ตายก็คงรวยมีแค่นั้นคือถ้ารอดไปได้แนละ้วก็ได้มรกได้ผลถ้าหมดกําลังซะก่อน้วไปไม่ไหวถ้าเจริญปัญญารวดไปเลยนะมันจะแห้งแล้งไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรง แต่ถ้ามีสมาธิชนิดที่เอาไว้พักได้เนี่ยจิตใจจะชุ่มชื่นคล้ายๆแวะปั๊มน้ํามันเติมน้ํามันได้พักผนะ่อนจิตใจมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาจเจริญปัญญาต่อการที่จะทําจิตให้สงบนะั้นเราต้องรู้ก่อนว่าทําไมจิตถึงไม่สงบการที่จิตของเราไม่สงบนะเพราะจิตของเราเนี่ยเที่ยวสแสวงหาความสุขนะเที่ยววิ่งหนีความทุกข์เที่ยวสแสวงหาความสุขไปทางตาเที่ยวไปดูรูปที่เพลิดเพลินพอใจ หวังว่าจะมีความสุขแล้วก็ไม่มีความสุขเหมือนอย่างเราไปดูหนังไปดูหนังนึกว่าจะมีความสุขใช่ไหมไม่มีสุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวต้องอยากอย่างอื่นต่อละดูหนังอย่างเดียวไม่พอไม่ไม่มีความสุขจริงสุขแป๊บแปไปฟังเพลงดีไหมหรือไปร้องคาราโอเกะมีความสุขไปเดี๋ยวกระดาวนะหิวข้าวอีกแล้วไม่มีความสุขแล้วไปหาอะไรกินดีกว่าเนี่ยเราหาความสุขอยู่ตลอดเวลาเราวิ่งหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาจิตถึงแสสายออกไปทางตา นะทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตที่วิ่งแสสายออกทางตาหูจมูกลิ้นกาใจนั่นะแหละจิตที่มันไม่สงบนะนี้ทํายังไงจิตจะสงบถ้าเรารู้ว่าจิตต้องการความสุขจิตถึงแสสายออกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราย้อนสอนมันเลยเราหาความสุขมาล่อจิตคนไหนพุทโธแล้วมีความสุขเรามาพุทโธคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเรามารู้ลมหายใจ คนไหนดูท okay. ้องฟองยุบม <mud> mm ีความสุขก็ดูท้องฟองยุบคนไหนเดินจงกรมมีความสุขก็ไปเดินจงกรมทํากรรมฐานขึ้นสักอย่างหนึ่งนะที่เราทําแล้วมีความสุขถ้าทำแล้วเครียดอย่าทําอย่างบางคนไม่ชอบดูท้องฟองยุบดูท้องฟองยุบแล้วเครียดเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ดีนะถ้าเครียดเนี่ยสมาธิจะไม่เกิดเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิต้องมีความสุขเอาความสุขมาล่อมันจิตของเรานั้นมันเหือนเด็กซุกซน เด็กนี้ออกไปจากบ้านไปเที่ยวร่อนเร่นะไม่ค่อยยอมกลับบ้านผู้ใหญ่เอาไม้ไปไล่ตีนะไม่กลับมาเดี๋ยวเผลอมันหนีอีกแต่ถ้าทำบ้านให้มันน่าอยู่นะในบ้านมีสิ่งที่เด็กต้องการมีของกินที่เด็กชอบมีเกมที่เด็กชอบนะเด็กก็เล่นอยู่ในบ้านบางทีมันไม่ออกจากห้องเลยมันติดอกติดใจในความสุขเหมือนเพลิดเพลินของมันอยู่งั้นเราใช้เคล็ดลับตัวนี้แหละมาทาความสงบจิต ใครพุทโธแล้วมีความสุขเราพุทโธอย่าไปพุทโธเพื่อบังคับให้จิตสงบพุทโทไปสบายใจพุทธโทเล่นๆคนไหนหายใจแล้วมีความสุขก็หายใจเล่นๆคนไหนดูท้องพองยุบมีความสุขดูท้องพองยุบเล่นๆทำเล่นๆทำให้มีความสุขทำให้มีความสบายจิตมันมีความสุขมันจะไม่หนีไปทางตาหูจมูกลิ้นกายจะสงบอยู่ที่ใจอันเดียวอันนี้เป็นเคล็ดลับของการทาสมถะกรรมฐานนะ เพราะฉนั้นถ้าเราถนัดกรรมฐานชนิดไหนเราใช้กรรมฐานชนิดนั้นไม่ต้องเรียนแบบกันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องทําอย่างเดียวกันอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆหลวงพ่อทําอานาปนสติทําสมถะด้วยการทําอานาปนสติพวกเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อไม่จำเป็นต้องทําอนาปนสติเลยไม่มีความจําเป็นเลยต้องดูตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์ชนิดนั้น ถ้าเราอยู่นะจิตใจมันพอใจมันก็สงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะได้พักผ่อนจิตใจโปร่งโล่งเบาสบายแต่สบายแล้วถ้าติดอยู่ในความสบายไม่เดินต่อแล้วก็ไม่มีทางประสบความสําเร็จในการปฏิบัติเลยเมื่อสัก30ปีก่อนหลวงพ่อตะเวนนะไปหาครูบาอาจารย์มากมายเลยนะไม่ได้เลือกสายด้วยครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านมีชื่อเสียงท่านไหนมีชื่อเสียงนะเข้าไปหาเข้าไปดูเข้าไปศึกษาไปทั่วๆนะ แล้วก็พบว่าคนชอบนั่งสมาธินะแต่สมาธิที่ทําส่วนใหญ่คือสมาธินิ่งๆทำสมาธิรักสงบอยู่เฉยไม่เดินปัญญาหรอกไม่รู้จักวิธีเดินปัญญาเพือะฉั้นถ้าเราทําสมาธินิ่งๆนะก็คือสมาธิที่เจ้าชายสิทธัตถะไปเรียนมาจากฤๅษีเป็นสมาธิที่มีประโยชน์ไหมมีทําให้ได้พักผ่อนแต่คนที่พักผ่อนตลอดเวลาไม่ทํามาหากินจ้างให้ก็ไม่รวยเห็นไหม เราอยากร่ํารวยในธรรมะเราจะเอาแต่ทําความสงบพักผ่อนอย่างเดียวมันไม่ได้ผลหรอกเราต้องมารู้จักวิธีเจริญปัญญาแต่การจะเจริญปัญญาได้นั้นจะต้องอาศัยสมาธิชนิดที่สองสมาธิชนิดแรกนะมีชื่อเพราะๆนะว่าอารัมมานูปนิชฌานจิตนั้นเพ่งสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวสมาธิชนิดที่สองชื่อลักขณูปนิชฌานจิตนั้น เห็นลักษณะเห็นไตรลักษณ์ได้สมาธิชนิดนี้แหละเป็นสมาธิที่อาพับเมื่อก่อนไปเที่ยวหานะหายากมากเลยจะหาคนซึ่งนั่งสมาธิแล้วจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะในร้อยคนจะหาคนหนึ่งยังยากเลยยากมากๆเลยทุกวันนี้มีเยอะนะฟังหลวงพ่อเทศมากมากเข้านะฟังไปเถอะใจก็ตื่นขึ้นมาได้อยู่ที่ว่ารู้หลักไหมวิธี ที่จะให้ใจตื่นเราต้องรู้ก่อนว่าใจที่ไม่ตื่นเป็นยังไงใจที่ไม่ตื่นนะคือใจที่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดจิตมันคิดมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดจิตคิดกับจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะ่ะมันกลับข้างกันเนี่ยก่อนที่เราจะทำอะไรให้ถูกนะเราต้องรู้สิ่งที่ผิดซะก่อนอย่างเรารจะทำความสงบจิตเราก็ต้องรู้ก่อนว่าจิตไม่สงบเพราะเที่ยวหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ แล้วเราก็ปฏิบัติถูกด้วยการหาอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อจิตนะถ้าเราจะฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็ต้องรู้ก่อนว่าที่ผิดมันคืออะไรที่ผิดนั่นก็คือจิตนั่นน่ะมันไปเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตของคนในโลกจิตของสัตว์ทั้งหลายจิตของเทพลมส่วนมากเป็นจิตที่คิดนึกปรุงแต่งไปทั้งสิ้นเลยจิตหลวงปู่ดูลจะเรียกว่าจิตออกนอกจิตจะไหลออกข้างนอกไปจิตเราจะไหลไปทางตา จิตจะไหลไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจเนี่ยส่วนใหญ่ไหลวิคิดพอลงมือปฏิบัติก็ไหลไปเพ่งทางใจเนี่ยจะไหลไปสองแบบนะไหลวิคิด้วยเปื่อยไปนะแต่ไหลไปเพ่งทางตาเนี่ยก็ไหลไปดูทางหูก็ไหลไปฟังอย่างขนาดที่เราดูรูปอย่างข้างหลังมีจอถ้าเราดูจอภาพนะตั้งใจดูอย่างจดจอจิตเราจะไหลเข้าไปอยู่ในจอภาพนะ จิตเราจะไหลไปจากตัวเรานะถลําออกไปตรงนี้ถ้าเรารู้ทันว่าจิตเราไหลออกไปทางตาจิตเราไหลไปทางหูจิตก็ตื่นเหมือนกันแต่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะให้รู้จิตคิดเพราะอะไรเพราะจิตคิดเนี่ยเป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุดเกิดบ่อยที่สุดจิตที่ไปดูรูปจิตที่ไปฟังเสียงเนี่ยเกิดน้อยลงมาจิตที่ไปดมกลิ่นริมรสเนี่ยน้อยลงไปอีก ท่านเลือกเอาตัวที่มากที่สุดนะศึกษาจากตัวที่เยอะที่สุดเลยที่เกิดบ่อยที่สุดก็คือจิตคิดเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์หลายองค์เลยนะท่านสอนพุ่งเข้ามาที่ให้รู้ทันจิตที่คิดหลวงปู่ดูลสอนบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามความคิดนะบางคนเข้าใจผิดว่าหลวงปู่ดูลสอนว่าไม่ให้คิดไม่ให้คิดก็คือการฝึกตัวเองให้กลายเป็นต้นไม้และก้อนหินไม่ถูก เป็นมนุษย์ต้องคิดเป็นให้จิตมันคิดไปแต่ถ้ามันคิดไปแล้วนะเกิดสุขให้รู้ทันเกิดทุกข์ให้รู้ทันนะเกิดดีเกิดชั่วให้รู้ทันนะคอยรู้ทันอย่างนี้ถึงจะใช้ได้หรือจิตมันคิดแล้วจิตมันถลําไปอยู่ในโลกของความคิดจิตมันจะไหลไปอยู่ในโลกของความคิดให้เรารู้ทันว่าจิตมันหนีไปคิดแล้วถ้าเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วนะจิตจะตื่นอัตโนมัติเลย หลวงพ่อเทียนถึงบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตจิตจะได้ต้นทางของการปฏิบัติใช่ไหมไม่ใช่สายไหนสายหนึ่งนะถ้าครูบาอาจารย์องค์ไหนภาวนาถูกมันสัมมามัลงเป็นเนื้อเดียวกันหมดให้เรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดวิธีการทํำยังไงเราจะรู้ได้ง่ายธรรมด้จิตของเราไหลไปคิดตลอดเวลาเลยกลางคืนก็คิดนะนอนหลับอยู่ก็คิดเรียกว่าฝันจิตไหลตลอดวิธีการนะหากรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งเหมือนที่ตอนทําความสงบนั่นแหละ แต่แต น, นี้จะทํา yeah. ให้จิตตั้งมั่นก็หากรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งคนไหนถนัดพุทโธมาอยู่กับพุทโธคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็ใช้ลมหายใจคนไหนถนัดฟองยุบใช้ฟองยุบแต่วิธีดูนั้นแตกต่างกันถ้าหากต้องการให้จิตสงบนะก็น้อมจิตไปอยู่กับพุทโธน้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจน้อมจิตไปอยู่กับท้องน้อมจิตไปอยู่ที่เท้าพอจิตมันถูกน้อมไปอยู่ในอารมณ์เดียวมันสงบแต่ถ้าต้องการให้จิตตั้งมั่นเนี่ยเราทํากรรมฐานอย่างเดิมนั่นแหละ แต่เราคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดเช่นพุโทโธพุโทโธจ fall, ิตหนีไปคิดรู้ว่าอ้อหนีไปคิดละรู้ลมหายใจอยู่จิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดดูท้องพองยุบอยู่จิตหนีไปคิดก็รู้ทันว่าหนีไปคิดแต่ถ้าเราลงมือทำกรรมฐานจริงๆจิตไม่ได้หนีไปคิดอย่างเดียวจิตจะหนีไปเพ่งด้วยถ้าพุทโธพุทโธนะบางทีก็หนีไปคิดให้รู้ทันบางทีก็ไปเพ่งจิตให้นิ่งก็รู้ทันว่าไปถลำไปจ้องไปเพ่งจิตละ หรือดูลมหายใจเข้าออกจิตมันหายใจจิตมันร่างกายมันหายใจจิตม like. ันเป็นคนดูหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตถล่มเข้าไปจอนิ่งแนบเข้าไปที่ลมหายใจรู้ทันจิตมันส่งออกนอกส่งออกไปในความคิดก็ได้ส่งไปที่ลมหายใจก็ได้ดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทัน การที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปหลวงปูดูเรียกจิตออกนอกนะจิตส่งออกนอกถ้าเรารู้ทันจิตที่ส่งออกนอกรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปไหลไปเนี่ยการเคลื่อนไปการไหลไปนั้นจะดับโดยอัตโนมัติเพราะจิตที่ไหลไปจิตที่เคลื่อนไปนั้นเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นจิตที่มีกิเลสชื่ออุทธัจจะทันทีที่สติเกิดกิเลสจะดับอัตโนมัติเพราะฉะนั้นทันทีที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปนะ การไหลนั่นจะดับอัตโนมัติจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาในฉับพลันนั่นเองนะในพริบตาเดยียวกันนั่นเองงั้นพวกเราต้องฝึกตัวนี้แหละเป็นตัวสําคัญเป็นตัวแตกหักเลยว่าชาตินี้เราจะมีโอกาสเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือไม่ถ้าเราไม่มีจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะไม่สามารถเห็นความจริงของรูปนามกายใจได้นะงั้นตัวนี้แหละตัวแตกหักเลยงั้นเรามาฝึกนะค่อยฝึกไป ถ้าวันไหนจิตฟุ้งซ่านมากก็มาพุโทโธมาหายใจมาดูท้องพองยุบให้จิตได้พักผ่อนวันไหนมีเรี่ยวมีแรงพอสมควรแล้วแทนที่จะน้อมจิตไปอยู่กับลมอยู่กับท้องอยู่กับเท้าให้คอยรู้ทันจิตเวลามันหนีไปคิดหรือมันหนีไปเพ่งไปเพ่งท้องเพ่งเท้าเพ่งมือถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะทางาน อันที่สามล่ะคือการเจริญปัญญานี่จิตตภาวนาทั้งหมดเลยนะจิตตภาวนาคือการพัฒนาจิตพัฒนาจิตให้สงบพัฒนาจิตให้ตั้งมั่นต่อไปนี้พัฒนาจิตให้เกิดปัญญารู้ความจริงของาธาตุขันธ์กายใจงานอันนี้เป็นงานที่อัศจรรย์นะไม่มีในคำสอนของคนอื่นมี เ, เฉพาะในคาสอนของพระพุทธเจ้า เงือนถ้าพวกเราแฝงป้ายว่าเป็นชาวฟุธแต่เราทําสมาธิได้อย่างเดียวหรือทําทานรักษาศีลนะไม่เคยทําสมาธิยิ่งแย่ยใหญ่ทําสมาธิได้ความสงบก็ยังดีแต่ถ้าเราฝึกจนได้สมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวมันก็จะเจริญปัญญาละเมื่อจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ไหลไปแล้วนะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูได้เนี่ยเรามาหัดเจริญปัญญา การจเจริญปัญญาขั้นแรกเลยเนี่ยหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆหลวงพ่อมักใช้คําว่าแยกธาตุแยกขันธ์อย่างร่างกายเป็นส่วนหนึ่งจิตใจเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ร่างกายแยกได้อีกเป็นธาตุดินน้ําไฟลมนี่แยกธาตุออกไปทางจิตใจก็แยกออกไปได้เป็นเวทนาขันธ์ความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาขันธ์ความจําได้ความหมายรู้สังขารขันธ์ ความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณขันคือจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหมุนเวียนไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราต้องต้องมาแยกขันให้ได้ถ้าเราแยกขันไม่ได้เราจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราไม่ได้พวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งร่างกายเป็นของไม่เที่ยงร่างกายแปรปรวนเมื่อก่อนเป็นเด็กเดี๋ยวนี้ไม่เด็กเมื่อก่อนหนุ่มสาวเดี๋ยวนี้ไม่หนุ่มสาว ร่างกายเนี่ยดูง่ายนะว่าแปรปรวนแต่ในเนี้ยลึกๆจะรู้สึกไหมมีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆยังเป็นคนเดิมเราคนนี้กับเราพรุ่งนี้เราปีหน้าเราชาติหน้าเป็นเราคนเดิมเนี่ยเราไปสําคัญมั่นหมายนะว่าจิตคือตัวเราแล้วก็มันเป็นอมตะด้วยพวกเราชาวพุทธจานวนมากเลยชอบคิดว่าจิตเที่ยงถ้าร่างกายตายจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่ก็จิตดวงเดิมไปเกิดใหม่นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิร้อยเปอร์เนเลยนะเป็นมิจฉาทิฏฐิ นะชื่อสัตสตะทิฏฐนะิจริงๆแล้วจิตนั้นเกิดดับเรามาหัด ส, สังเกตดูตัวเองเราค่อยๆมหัดก่อนที่แรกหัดแยกนะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นส่วนๆแล้จะพบว่าทุกๆส่วนนั้นเกิดแล้วดับทั้งสิน้นกระทั่งตัวจิตเองเกิดแล้วก็ดับการที่จะทําลายความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆนะทำด้วยวิธีแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยออกเป็นส่วนๆ วิธีนี้เรียกว่าวิพัฒชวิธีวเวนสระยิพอสำเพอไม่ทาอากาศชอช้างวิพัฒชะเหมือนอย่างมีรถยนต์อยู่หนึ่งคันเราเห็นว่ารถยนต์มีจริงๆริแต่ถ้าเรามาถอดรถยนต์เป็นชิ้นชิ้นเริ่มตั้งแต่ถอดน็อตก่อนใช่ไหมถอดสกรูออกมาสกรูไม่ใช่รถยนต์ล้ถอดลูกล้อออกมาลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ละถอดตัวถังถอดเบาถอดกันชนถอดถังน้ํามันถอดเครื่องยนต์ ถอดพวงมาลัยถอดเบรกถอดคลัตถนะอดคันเร่งถอดถอดถอดออกมานะแต่และชิ้นแต่และชิ้นไม่ใช่รถยนต์ล่ะแต่พอมันมารวมกันเข้ามันมีรถยนต์แต่พอมันกระจายออกไปมันไม่มีรถยนต์วิธีนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเอามาใช้ในการดูสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเราจะถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นชิ้นชิ้นนะบางคนถอดเป็นขันห้านะเป็นรูป เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางคนถอดเป็นอายตนาหตาหูจมูกลิ้นกายใจบางคนถอดเป็นธาตุสิบแปดธาตุบางคนถอดเป็นอินสียี่สอะไรเนี่ยสารพัดจะแบ่งนะแบ่งแบบไหนก็ได้นะที่ท่านสอนเอาไว้คือการกระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆแล้วจะพบว่าแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นจิตถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละเราถึงจะกระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆได้ ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะไม่มีคุณสมบัติไม่มีคุณภาพพอที่จะกระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆมันไม่ใช่เรื่องยากนะฟังแล้วเหมือนยากแต่จริงๆไม่ยากวันแรกที่หลวงพ่อเจอหลวงปู่ดุลแล้วนั่งรถไฟมานะกลับมากรุงเทพเนี่ยแวะโคราชเนะี่ยไปหาหลวงพ่อพุทธที่โคราชจากโคราชเนะี่ยนั่งรถไฟต่อมากรุงเทพตอนที่ออกจากสุรินทร์มาเนี่ย นึกได้ว่าหลวงปู่โดนสอนให้ดูจิตตัวเองเลยคิดว่าจิตมันอยู่ที่ไหนคิดว่าจิตต้องอยู่ในร่างกายาเขาพยายามหาจิตว่าอยู่ตรงไหนในร่างกายดูไปที่ผมดูไปดูไปผมไม่ใช่จิตหรอกผมเป็นสิ่งที่มันเราไปรู้เข้าท่า น, นเองไม่เห็นจะเป็นจิตตรงไหนเลยดูขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะไล่ขึ้นไ ล, ล่ลงในร่างกายไม่มีส่วนไหนของร่างกายนะที่เป็นจิตเลย ดูไปดูไปนะหรือว่าความสุขความทุกข์เป็นจิตดูไปที่ความรู้สึกสุขก็ไม่เห็นมีจิตอยู่ในความรู้สึกสุขดูไปในที่ความรู้สึกทุกข์ก็ไม่เห็นมีความรู้สึกทุกข์เนื่อเที่ยวหาอยู่นะหรือว่าจิตคือความคิดสุดท้ายหรือว่าจิตคือความคิดจงใจคิดเลยนะคิดบดสทสวดมนต์พุโทโธสุสุทโธกรุณามหันตนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังพวงมหันนกคิดบทสวดมนต์นะจิตมันเห็นจิตที่คิดทันทีที่เห็นจิตที่คิดจิตรู้ก็เกิด พอจิตรู้เกิดปุ๊บนี่ยมันเห็นเลยร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายนะอย่างผมเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะผมกับจิตคนละอ่านกันคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกับจิตเป็นโคนละอ่านกันความสุขความทุกข์กับจิตเนี่ยเป็นโคนละอ่านกันกุศลอกุศลกับจิตเนี่ยก็เป็นโคนละอ่านกันนะความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายโคนละอ่านกันหมดเลยแล้วเห็นจิตนั่นแหะเดี๋ยววิ่งไปที่ตาแล้วก็ดับวิ่งไปที่หูแล้วก็ดับวิ่งไปคิดแล้วก็ดับรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ดับ เห็นแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นของที่ไม่ใช่ตัวเราสักอย่างเดียวเลยผมคนเล่นฟันหนังนะเรื่องเอกระดูกก็ไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเร า, า, ากุศลอกุศลนะเช่นโรคกรดหลงก็ไม่ใช่ตัวเราะจิตมันวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจสั่งมันก็ไม่ได้ะตอนนั้นยังไม่เห็นว่ามันไม่ใช่เราค่อยภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งเนี้ยปัญญามันเกิดมันเห็นความจริงนะว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็หายไป รูปเกิดแล้วรูปก็ดับนะเวทนาเกิดแล้วเวทนาก็ดับสัญญาเกิดสัญญาก็ดับสังขารความปรุงดีปรุงชั่วเช่นโรคปวดหลงเกิดแล้วโรโปวดหลงก็ดับจิตเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดแล้วก็ดับการที่เราคอยเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานตรงที่จิตของเราตั้งมั่นยังไม่ขึ้นวิปัสสนาตรงนี้เรียกว่ามีสมาธิที่ถูกต้อง ตรงที่สามารถแยกธาตุแยกขันธ์ได้เห็นกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตะเห็นความสุขความทุกข์อยู่ส่วนความสุขความทุกข์เห็นกุศลอกุศลอยู่ส่วนกุศลอกุศลตรงนั้นก็ยังไม่ขึ้นมีปัศนากรรมฐานมีปัศนากรรมฐานเนี่ยเริ่มเมื่อเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของสภาวะธรรมทั้งหลายที่เราแยกออกมาเป็นส่วนๆนั่นแหละเช่นรูปที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับไปรูปที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับไปนะ รูปที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนรูปที่พองที่ยุบเกิดแล้วก็ดับไปอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเราเดินปัญญาอยู่รูปที่สุขที่ทุกข์ด้วยนะรูปที่สุขที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับหรือความสุขความทุกข์ทางใจเกิดแล้วก็ดับกุศลอกุศลทางใจเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วก็ดับเรียกถ้าเราเห็นอย่างนี้มากๆนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันพอ จิตมันจะรวมข้ออัปนาสมาธินะรวมเองถึงเราไม่เคยเข้าฌานวันนั้นมันก็จะเข้าฌานของมันเองจิตจะรวมลงมาแล้วมันมาตัดสิ่งความรู้กันในสมาธิตัดสิ่งความรู้ในสมาธิจะรู้ความจริงหรือ ว, ว, าว่าตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีเนี่ยเวลาจิตถอยออกมาแล้วย้อนกลับไปดูนะจะพาบว่ากายนี้ก็กลวงๆนะไม่มีเราอีกต่อไปแล้วจิตใจก็เป็นแค่สภาวะธรรมสภาวะธรรมแต่ละชนิดแต่ชละชนิดไม่ใช่ตัวเราสักอย่างเดียวเลยนะ ย้อนไปดูตัวนเข้าตัวออกก็เห็นแต่ว่าไม่มีเรานะเนื้อการชี่จะฝึกให้จิตเกิดปัญญานะขั้นแรกก็คือต้องจิตตั้งมั่นให้ได้ก่อนเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้ก่อนถัดจากนั้นหัดแยกกายแยกใจแยกสุขแยกทุกข์ออกไปแยกกุศล อ, อกุศลออกไปนะแล้วก็เห็นร่างกายเกิดแล้วก็เปลี่ยนไปเกิดแล้วดับไปเห็นความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปเห็นกุศล อ, อกุศลทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปนะเห็นจิตหมุนเวียนทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจ เกิดที now, ่ตาแล้วก็ด like ับเกิดที่หูแล้วก็ดับหัดภาวนาใหม่ๆไม่เห็นหัดภาวนาใหม่ๆนะคิดว่าจิตมีดวงเดียวแล้วจิตเนี้ยวิ่งไปทางตาแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาที่ใจวิ่งไปทางหูแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาที่ใจตรงนี้ยังไม่ใช่นะอย่างนี้เรียกว่าสันติคือความสืบเนื่องยังไม่ขาดเราเห็นว่าจิตมีดวงเดียวจิตเหมือนแมงมุมนะอยู่กลางใหญ่มีอะไรมากระทบทางทิศนี้ก็วิ่งไปตามใหยนี้แล้วก็วิ่งกลับมาอยู่ตรงกลาง มีสิ่งมีมแมลงมากระทบอีกเส้นหนึ่งอีกทิศทางหนึ่งผู้วิ่งไปทางทิศทางนั้นแล้วก็วิ่งกลับมาเนี่ยหัดใหม่ๆจะเห็นว่าจิตวิ่งไปวิ่งมาทาง ท, างทางวารทั้งหแล้วก็กลับมาอยู่ที่ใจนะเนี่ยหัดอย่างนี้นะยังไม่เห็นจริงต้องเห็นจน ก, กระทั่งว่าจิตมันเกิดที่ตาแล้วก็ดับตรงที่ตาจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับตรงที่หูนะจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับลงที่ใจค่อยๆฝึกนะไม่ยากหรอกนะค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปเรื่อย ทีแรกหัดแจกกายกับใจออกจากกันก่อนเช่นร่างกายยิ้มเอาทุกคนยิ้มสิยิ้มทุกคนยิ้มท่านอาจารย์ยิ้มด้วยท่านอาจารย์นี่ยิ้มหวานเนี่ยคาวนี้ไม่ยิ้มแล้วหัวเราะเลยเห็นไหมเกินที่บอกเห็นร่างกายยิ้มไหมรู้สึกไหมร่างกายกําลังยิ้มอยู่ร่างกายหัวเราะอยู่รู้สึกไหมร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมเนี่ยค่อยๆหัดอย่างนี้นะเริ่มต้นยิ้มไว้ก่อนะถ้าเริ่มกรรมฐานเอาแล้วตับนี้จะดูแล้ว เค่งเครียดอย่งไม่ได really ้กินหรอกจิตใจจะมีสมาธิจิตใจต้องมีความสุขเริ่มต้นยิ้มไว้ก่อนดูอาจารย์สนองนี่ก็ยิ้มหวานนะยิ้มมีความสุขก่อนเนี่ยพวกเราเกิดแล้วหัวละได้ไหมเห็นร่างกายหัวเราะหลวงพ่อไม่ห้ามนะเวลาฟังหลวงพ่อเทศน์หัวเละก็ได้บางคนก็ร้องไห้น้ำหูน้ําตาร่วงอะไรนี้ก็ไม่ว่าได้หรอกแต่เห็นร่างกายมันร้องไห้เห็นร่างกายมันหัวเละเห็นร่างกายมันยิ้มนั่งนานๆขันบ้างไหม เห็นร่างกายมันเก่านะเนี่ยพอเห็นด้วยกับหลวงพ่อก็พยักหน้าเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายจับลูกขังเนี่ยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเราเป็นคนดูค่อยหัดดูไปเรื่องยากวิสยากอะไรนักหนาไม่ใช่ของวิเศษวิสุอะไรนักหนาเรื่องธรรมดาธรรมดาทุกคนสามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองเนี่ยพยักหน้านะก็เห็นร่างกายพยักหน้าค่อยค่รู้สึกไปค่อยๆดูไปด้วยนะถึงจุดหนึ่งมันจะปิ๊งขึ้นมาเอง ตัวที่พยักหน้าอยู่ม <habitude S 1> <anh. S 2> th ันเป็นวัตถุเท่านั้นเองนะเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันยิ้มเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันกระดุกระดิกมันไม่ใช่เราหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเท่านั้นเองนี่หัดอย่างนี้นะเราจะค่อยๆเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นความจริงของรูปนะว่าไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุเท่านั้นเองแล้วมาดูความสุขความทุกข์รู้จักความสุขไหมใครรู้จักความสุขยกมือซิยกมือซิใครรู้จักความสุขบ้าง ที่เหลือไม่รู้จักเลยชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์อาภาพสุดๆเลยนะความสุขเราก็รู้จักใช่ไหมความทุกข์เราก็รู้จักการปฏิบัติไม่ยากอะไรจิตมีความสุขรู้ว่ากำลังมีความสุขอยู่เราจะเห็นเลยความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าก็ไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเท่านั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่ใช่คนในบ้านเราด้วย ความทุกข์ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปแม้การปฏิบัติจริงๆไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกนะไปนั่งสมาธิให้จิตสงบเข้าชานนะ่ะยากกว่ากันเยอะเลยนะส่วนการเจริญปัญญาเนี่ยเข้าชาญไม่เป็นก็ทําได้ความสุขเราก็รู้จักความทุกข์เราก็รู้จักนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราก็รู้จักร่างกายพยักหน้าเราก็รู้จักก็แค่คอยรู้สึกไปค่อยดูไปนะร่างกายเคลื่อนไหวก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นแค่คนดูจะรู้สึกขึ้นมาเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอก ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเราเป็นคนดูอยู่จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่มันจะเห็นได้ความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่แปลปลอมเข้ามาไม่ใช่ตัวเราหรอกกุศนะลอกุศลเกิดขึ้นจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ก็จะเห็นเลยกุศล อ, ลอลกลุศลโลภโกรดลงทั้งหลายนะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่ความรับรู้ของจิตมาแล้วก็ไปไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยเฝ้าดูลงไปอย่างนี้นะแล้วก็ตัวจิตเองเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูนะหัดดูไปเรื่อยในที่สุดก็เพราะว่าจิตนั้นเกิดแล้วก็ดับ จิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับในความเป็นจริงนะจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่เกิดดับรวดเร็วมากจนเรามองไม่เห็นว่ามันเกิดดับเหมือนอย่างแสงสว่างหลอดไฟนะสว่างเราคิดว่าไฟฟ้าเที่ยงเพราะแสงมันคงที่เลยจริงๆไฟฟ้าเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะเราไม่เห็นเคยดูหนังการ์ตูนไหมใครเคยเห็นฟิล์มหนังแบบโบราณบ้างยกมือซีมีไหมคนโบราณเราเคยเห็นนะ นะเด็กสมัยใหม่มันรู้เป็นแผ่นๆเนี่ยมันปิดกั้นยานทัศนะมากเลยนะแผ่นซีดีเนี่ยมันสู้ไอ้อะไรฟิล์มหนังแบบโบราณไม่ได้ฟิล์มหนังแบบโบราณแต่ละรูปแต่ละรู ป, รปไม่ได้เคลื่อนไหวนึกออกไหมมันเป็นคนละรูปกันนึกออกไหมแต่พอมันเคลื่อนที่ต่อกันอย่างรวดเร็วเรารู้สึกว่ามีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งเคลื่อนที่ได้จิตนี้ก็เหมือนกันจิตนั้นเป็นแค่ฟิล์มหนังใบเดียวเองจิตดวงหนึ่งอะ แต่มันเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วจนเรารู้สึกว่ามันมีตัวเราอยู่จริงๆเนะนี่ยเรามาหัดดูนะดูจนเห็นของจริงลงไปเลยในกายนี้นะก็ไม่ใช่ตัวเรานะความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรากุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเรานะตัวจิตเองก็ไม่ใช่ตัวเราเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็เกิดทีเดี๋ยวก็ดับการดูอย่างนี้แหละเรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะอย่าไปกลัวคำว่าวิปัสสนานะ วิปัสนาคือวิ study. ปัสนาปัสนาว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องก็เห็นอย่างเห็นกายถูกต้องใช่ไหมร่างกายถ้าเราเห็นถูกต้องก็คืออะไรร่างกายไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายไม่ใช่ตัวเรานี่เรียกวเห็นถูกต้องเห็นความสุขทุกขถูกต้องก็เห็นว่าความสุขความทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็บังคับไม่ได้เห็นกุศลกุศลถูกต้องก็เห็นว่ากุศลกุศลทั้งหลายนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ะ เห็นจิตถูกต mm ้องก็เห็นจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ก็แค่นั้นเองจะยากอะไรนะทุกคนสามารถรู้กายรู้ใจของตัวเองได้อยู่แล้วแค่ละเลยที่จะรู้ท่านะต่อไปนี้ตั้งใจใหม่นะกลับเนื้อกลับตัวสะใหม่อย่าลืมตัวเองบ่อยพยายามรู้สึกตัวเองบ่อยๆแวะนะรู้สึกตัวเรื่อยๆอย่าให้ใจหนีไปไปรู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวถ้าใจหนีไปคิดคอยรู้ทันพรอใจหนีไปคิดเรารู้ทันที่รู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมานะพอถ้าปัญญามันเริ่มทํางานเองนะบางคนร่ง แปลงฟันยืนแปลงฟันนะกําลังเคลื่อนไหวเคลื่อนมืออยู่นี่เคลื่อนแปลงมาตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่เด็ ก, กไม่เคยรู้เลยนะทีนี้ภาหัดเจริญสติหัดรู้สึกตัวจิตเป็นผู้รู้นะแปลงๆอยู่ปุ๊บรู้สึกขึ้นมาเลยมือนี้ไม่ใช่เราแล้วนะเป็นวัตถุอะไรที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่หน้าที่พยักอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราแล้วนะหน้าที่สายไปสายมานี่ไม่ใช่ตัวเราแล้วนะจะรู้สึกเองหรือบางคนนอนอยู่ไปส่งกันบ้านนะส่งกันบ้านบอกว่าหนูนอนอยู่นะ แล้วก็ตื่นขึ้นมานะรู้สึกตกใจไม่รู้ตัวอะไรนอนอยูนะ่มันไม่ใช่ตัวหนูอีกต่อไปแล้วนะมันเป็นรูปที่นอนอยู่รูปที่อยู่ในอีรียบุตนอนเท่านั้นเองเนะนี่ยจิตมันจะเกิดปัญญาจะรู้ความจริงนะว่าตัวเราไม่มีหรอกรก็ค่อยๆเห็นเองนะค่อยๆฝึกไปนะปนไม่ได้ยากอะไรเอาแล้วสรุปนะสรุปนะสรุปพวกเราหัดอย่างนี้สิ่งที่เรียกว่าจิตตภาวนาคือการพัฒนาจิตเนี่ย มีสามอย่างที่หนึ่งจิตฟุ้งซ่านก็ามาพัฒนาให้จิตสงบด้วยการน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวที่มีความสุขต้องเลือกเอาเองว่าเราอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขนะแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ย่วยกิเลสนะถ้าเล่นไพ่แล้วมีความสุขนีดูมวยแล้วมีความสุขอย่างนี้มันย่วยกิเลสนะเล่นหุ้นเล่นหุ้นไหมมีสมาธิไหมจดจ่ออยู่กับการเปิดหน้าจออยู่ทั้งวันเลยจิตเนี่ยแฝงตลอดเลยนะจิตไม่สงบหรอ ก, ก เดี๋ยวก็มีราคาเดี๋ยวก็มีโทสะนะมีเมียน้อยมีความสุขนะแต่ไม่สงบหรอกนะ เ, เกิดวุ่นวายเกิดจราชนะงั้นต้องเลือกเลือกอารมณ์ที่ไม่ยั่งกิเลสงนะั้นหาดูพุทโธนี่ไม่ยั่งกิเลสหรอกรู้ลมหายใจไม่ยั่งกิเลสนะดูท้องพองยุบเงี้ยไม่ยั่งกิเลสนะเลือกเอานะอันไหนเหมาะกับเราเราอยู่กับปันไดแล้วมีความสุขก็อยู่กันนั้นแหละก็จะได้ความสงบขึ้นมา เาได้ความสงบได้อย่าอยู่เฉยหรือถ้าทําตรงนี้ไม่เป็นก็ว่าข้ามเลยก็ได้นะมาฝึกสมาธิชนิดที่สองทำพุทโธทําหายใจอะไรนี่แหละเหมือนเดิมแหละขยับมือเหวี่ยงโรพเทียนก็ได้นะแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลเข้าไปเพ่งอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องที่ลมหายใจรู้ทั น, นจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้หรือรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดก็ได้นะรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้พอจิตเป็นผู้รู้แล้วก็มาหัดแยกธาตุแยกขัน เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายพยักหน้าใจเป็นคนดูหัดไปเรื่อยความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกก็จะเห็นมันมาชั่วคราวแล้วก็หายความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจคอยรู้สึกก็จะเห็นว่าอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายกุศลอกุศลเกิดขึ้นที่ใจก็คอยรู้สึกไปก็เห็นว่าอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตไปดูจิตไปฟังจิตไปคิดอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่ฝึกอย่างนี้แหละก็ครบแล้วจิตตภาวนา นะปัญญามจะค่อยแก่รอบขึ้นเป็นลำดับลำดับไปเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นจะเห็นว่าตัวเราไม่มีสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นคาว่าตัวเราตัวเราไม่ใช่เซลล์จัดนะเซลล์จัดเป็นพวกมานาตาม า, น, านะส่วนตัวเราเนี่ยจริงๆมันไม่มีหรอกค่อยๆดูนะค่อยๆดูค่อยๆหัดไปไม่ยากไม่ยากหรอกแต่ถ้าไม่ฝึกนะยากที่สุดเลยพอไหวไหมนะ ฝึกไปนะเจ้าเนี่ยทัางเห็นเลยทุกอย่างในกายในใจเกิดแล้วดับเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วถัดจากนั้นก็มาดูต่อไปปัญญามันจะค่อยแก่กล่าขึ้นนะสุดท้ายมันจะเห็นความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกมันจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมีแต่ทุกข์ล้วนล้วนมีแต่ทุกข์มากบ้างทุกข์น้อยบ้างพวกเราในขณะนี้ภูมิจิตภูมิธรรมเราไม่ถึงขนาดที่จะเห็นร่างกายเป็นทุกข์ล้วนล้วน เราจะเห็นแค่ว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเนี่ยใครรู้สึกอย่างนี้ยกมือซิทำไมให้ยกมือบ่อยก็ให้เทศตอนบ่ายโมงอะ่ะไห้เทศเชา้ชาเช้าเย็นๆย็นแล้วก็ไม่ต้องยกมือมากนะเหลือตาปลือๆต้องให้ยกและเห็นไหมใครัวดเลาะนค่อยดูอย่างนี้นะค่อยรู้สึกไปรู้สึกไป ถ้าเรามีสตินะเห็นร่างกายมีทํางานไปด้วยเราจะพบเลยว่าร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทําไมเราเปลี่ยนอิริยาบถเราเปลี่ยนอิริยาบถเพราะถูกความทุกข์มันบีบคั้นทําไมเราต้องหายใจเข้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นหายใจออกหายใจออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นหายใจเข้าเพราะถูกความทุกข์บีบคั้นเนี่ยเรามีสติอยู่ในกายเนืองๆนะจะเห็นในกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลย เฝ้าู้เฝ้าดูไปนะยำนั้นพอมันหมดความรักใคร่ยึดถือในร่างกายนี้เลยเมื่อไม่รักในร่างกายนี้มันจะไม่รักในตาหูจมูกลิ้นกายด้วยเพราะตาหูจมูกลิ้นมันก็คือกายนั่นแหละเมื่อไม่รักในตามันก็ไม่หลงกับรูปไม่รักในหูนะมันจะไม่หลงกับเสียงเมื่อได้ได้เห็นรูปมันไม่หลงไหลไปจิตจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายกามและปฏิฆะจะไม่มี การละกิเลสเนี่ยจะละโดยที่กิเลสไม่เกิดนะไม่ใช่กิเลสเกิดแล้วละการละกิเลสในขั้นเฉียบขาดเนี่ยกิเลสไม่เกิดไม่ใช่ว่าต้องไปละมันเพียงคราวๆถ้าเราภาวนาถึงขีดสุดนะเห็นว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆนะกามและปฏิฆาจะไม่เกิดขึ้นกามและปฏิฆาไม่เกิดขึ้นการภาวนาในขั้นเดินปัญญาขั้นสุดท้า ย, ยจะลงมาที่จิตแต่บางองค์ ท่านก็ดูกายเป็นฐานนะใช้กายเป็นวิหารธรรมแต่เวลาตัดตัดที่จิตนะอย่างพระาอนอนท์ในพระไตรปิฎกบอกพระานอนท์ยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายยคตาสติเป็นส่วนมากกายคตาสติในสูตรนี้นะตรงกับกายานุปัสนาสติปฐานนะไม่ใช่กายกายคตาสติผมคนเล็บฟันหนังนะ็ปรู้ลมหายใจรู้อิทิยาบทนะอย่างเงี้ยรู้ความเคลื่อนไหวนะ รู้ความเป็นก้อนาธาตุของมันบางองถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยการรู้เวทนานะแล้วตัดที่จิตอย่างพระโมคคลาพระสารีบุตรบางองท่านรู้จิตแล้วตัดที่จิตอย่างพระอนุรุตบางองท่านเจริญธรรมานุปัสสนาแล้วก็ตัดของที่จิตคือพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างเพราะฉนั้นเวลาการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าขั้นต้นต้องดูกายขั้นท้ายต้องดูจิตนะไม่จําเป็นหรอก การตัดกิเลส ท, ทุกขั้นทุกตอนนะีตัดที่จิตทั้งสิ้นตั้งแต่ขั้นโสดาก็ตัดลงที่จิตขั้นสกทาคาณค า, าพระอาหารตัดที่จิตทั้งหมดเล ย, ยเมราะกิเลมนอยู่ที่จิตสังโยชน์มันอยู่ที่จิตแต่อาศัยการเรียนรู้ความจริงของธาตุขันธ์กายใจเนะี่คนไหนถนัดดูกายดูกายไปก่อนาการดูกายที่ถูกต้องนั้นมีจิตเป็นคนดูการดูกายที่ถูกต้องนั้นมีจิตเป็นคนดูนะไม่ใช่รู้แต่กายนะ ถ้ารู้แต่กายเรียกว่าเพ่งกายไม่เดินปัญญาจะนิ่งๆ ง, งั้นอย่างคนที่ดูกายเขาก็เห็นจิตคนที่ดูจิตชกวเห็นกายเพราะจิตเราเปลี่ยนเพราะตามองเห็นเพราะหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสจิตก็เปลี่ยนมันจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตแหละเพียงแต่ว่าจะเอาอะไรเป็นตัวหลักของเราแต่เวลาขั้นที่จะล้างกิเลสนะล้างลงที่จิตเหมือนกันหมดเราค่อยฝึกไปนะจนวันหนึ่งเราแจ้งขึ้นมาครั้งหนึ่งหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่ดุล นั่งอยู่กับท่านเคล็ดลับในการเรียนกรรมฐานจากหลวงปู่ดูลูก็คืออย่าพูดเพราะหลวงปู่ไม่พูดหอกหลวงปู่จะนั่งเงียบๆหลวงจีนั่งตั้งครึ่งชั่วโมงจีนั่งชั่วโมงสองชั่วโมงเงียบอยู่ขนาดวันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านเงียบๆแล้วท่านก็ปรารบธรรมะขึ้นมาเออเราสังเกตนะนักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยที่กระทั่งเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากๆนะส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ ถ้าพูดอย่างนี้นะเราสงสัยพูดเลยผีใหญ่แปลว่าอะไรแต่ไม่ถามนะถ้าถามเดี๋ยวท่านเลิกพูดเลยเดี๋ยวแต่ท่านพูดแต่ น, นั้นแค่นี้แล้วท่านก็ไปพูดเรื่องอื่นค่อยไปถามพระอุปัฏฐากผีใหญ่แปลว่าอะไรครับผีใหญ่แล้วพรมอนาคารู้อ๋อนักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่ว่าเก่งๆนะที่ติดอยู่ชั้นพระอนาคามีหลวงปู่ ด, ดูลว่านะไม่ใช่หลวงพ่อว่าหลวงพ่อไม่รู้หรอกใครขั้นไหนนะ่ะตัวใครตัวมัน ทำไมไปติดอยู่ที่ปรอมโลกเพราะติดตัวจิตปล่อยวางจิตไม่ได้หลวงพ่อไปเรียนกับท่านครั้งสุดท้ายสาบวันก่อนท่านจะมรณภาพท่านสั่งไว้เลยคำสอนสุดท้ายที่ท่านสอนหลวงพ่อท่านสอนไว้บอกว่าจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงออครับผมจะจาเออไปได้ละถ้าจาไว้แล้วไปได้แต่จานะทาไม่เป็นหรอก ทำไงทำลายจิตทำลายผู้รู้นะฟังก็งงเต็มทีแล้วมันรุ่งขึ้นไปกราบหลวงพ่อพุทธที่โกราชหลวงพ่อนะี่ยถ้าไปหาหลวงปู่ ด, ดูลเนนะี่ยค่กลับต้องแวะหลวงพ่อพุธทุกทียหลวงปู่ ด, ดูลจะสอนสั้นๆหลวงพ่อพุธจะขยายความให้ฟังได้อีกรอบหนึ่งไปบอกพอหลวงพ่อพุธท่านเห็นหน้าท่านถามไงนักปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไรรอบนี้หลวงปู่สอนบอกพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านเลยบอกว่า เวันก่อนหน้านี้ท่านไปหาหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่สอนท่านบอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่หลวงพ่อพุทธท่านเมตตากลัวว่าหลวงพ่อจะไปหลงทาลายจิตจริงๆแล้วสติแตกท่านเลยขยายความให้ฟังคําว่าทําลายจิตทําลายผู้รู้อ่ะหมายถึงไม่ยึดถือจิตไม่ยึดถือตัวผู้รู้ท่านสอนอย่างนี้นะผ่านมาอีกหลายปีเลย ไปเจอท่านมาเทศที่องค์การโทรศัพท์ต้นนั้นหลวงพ่อทํางานอยู่องค์การโทรศัพท์ท่านมาเทศก่อนมรณภาพไม่นานเข้าไปกราบ ท, าท่านเทศเสร็จแล้วเข้าไปกราบหลว ง, งพ่อครับไม่เจอหลวงพ่อนานนะว่าหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกหลวงพ่อครับผมยังทําลายผู้รู้ไม่ได้เลยโอท่านน่ะห้าวหาญมากเลย ท, ท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทําลายเปลือกออกมาเอง หน้าที่ของเรานะทำลูกไก่ของเราไม่ให้แท้งสะกอดกลายเป็นไข่ข้าวรู้จักไม้มไข่ข้าวให้ลูกไก่เนี่ยโตมาให้ได้แล้วลูกไก่จะเจาะเปลือกออกมาเองการจะทําลายผู้รู้นั้นไม่ใช่เราทําลายนะแต่เราบ่มเพราะลูกไก่ตัวนี้นะด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานี้เรื่อยไปเลยเมื่อไร่ปัญญาแจ้งในอริยสัจสีถ้าปัญญาแจ้งในอริยสัจสี่เนี่ยลูกไก่นี่โตเต็มที่แล้ว ลกเจ็บที่ตโตเต็มที่แล้วจะเจาะเปลือกคืออาสวะออกมาเองจะทําลายอาสวะออกมาได้เองนี่ครูบาอาจารย์สอนมานะเอามาบอกต่อต่อไปที่ก็ตัวใครตัวมันละใครทําก็ทำเอาเองนะใครทําก็คงจะได้ใครไม่ทําไม่มีทางได้ใครทํามีโอกาสได้จะได้ชาตินี้หรือได้ชาติถัดไปหรืออีกร้อยชาติพันชาติก็ต้องทำนะถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ไม่มีทางหรอก หวังว่าจะไปเจอพระศสียระยะเมตไตรเราจะได้ง่ายๆไม่มีทางหรอกถ้าไม่เคยปฏิบัติซะตั้งแต่วันนี้นะวันข้างหน้ามันก็ยากอีกให้มันยากซะตั้งแต่วันนี้นะอดทนเข้าฝึกให้จิตตั้งมั่นอยู่กับเนืกับตัวดูจิตมันทํางานไปนะดูกายมันทํางานไปจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะค่อยๆหัดค่อยๆดูไปสุดท้ายปัญญามันก็เกิดมาเป็นลําดับลําดับนะเมื่องตอนเห็นว่าตัวเราไม่มีเห็นว่าทุกอย่างเกิดระดับนะ ถ้าถึงทำลายตัวผู้รู้ปล่อยวางจิตได้ปล่อยวางจิตได้แล้วจะไปเห็นสภาวะธรรมอีกชนิดหนึ่งที่ไม่เกิดไม่ดับจะเห็นแจ้งในสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับคือพันิภัณฑ์พันิภัณฑ์มีอยู่แล้วอยู่ต่อตาต่อ ต, อ ต, อ ต, อ ต, อตาเรานี้เองไม่เคยหายไปไหนเลยแต่จิตของเราไม่มีคุณภาพที่จะเห็นเองจิตของเราเป็นจิตที่หลงฟุ้งซ่านอยู่กับความปรุงแต่งหลงอยู่กับความอยากหลงกับความดิ้นรนนั้นเราไม่เห็นธรรมะ คือนิพพานซึ่งเป็นธรรมะที่พ้นจากความอยากพ้นจากความปรุงแต่งดินรนนะถ้วเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราไปด้วยจนมันพ้นความอยากจิตที่พ้นความอยากได้นั้นมีวิธีเดียวแหละเห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งถ้าเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่นะมันจะหมดความอยากในกายในใจความอยากทั้งหลายมันมีแค่อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ความอยากลึกๆมันมีเท่า น, นั้นเองถ้ามันเห็นความจริงแล้วว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะ ความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขไม่มีเพราะความอยากอย่างนี้ไร้เดียงสาความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็ไม่มีเพราะมันเป็นตัวทุกข์มันจะพ้นทุกข์ได้อย่างไงนะถ้าเห็นแจ้งได้ขนาดนี้นะที่ว่าเห็นทุกข์แก่แจ้งนะจะจะละสมูทัยอัตโนมัติไม่ใช่สมูทัยเกิดแล้วต้องละนะแต่การละสมูทัยในขั้นนี้ก็คือสมูทัยไม่เกิดนะไม่ไม่เกิดอีกแล้วเพราะรู้ทุกข์แก่แจ้งสมูทัยจะไม่เกิดอีกแล้วเมื่อไม่มีสมูทัยไม่มีปัญหาเนี่ย จะแจ้งพระนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยไม่ต้องไปค้นหาเลยนะนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะแล้วเรามาเจริญมรรคนะนี่ฝึกไปตามขั้นตอนมีศีลแล้วก็มาฝึกจิตให้สงบมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นมาหัดเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันไปเส้นทางเดินที่ครูบาอาจารย์ท่านพาเดินมาท่านก็พาเดินมาทางนี้แหละพวกเราอยากเดินต่อก็เอานะแล้วจะพบว่าชีวิตเราจะเปลี่ยน เราจะเปลี่ยนตัวเองได้อย่างรวดเร็วเลยแต่ถ้าเรานั่งสมาธิอย่างเดียวชีวิตไม่เปลี่ยนหรอกสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านอยู่แต่ตลอดชีวิตแหละแต่ถ้าทําความสงบพอให้มีแรงและเจริญปัญญาต่อชีวิตจะเปลี่ยนเปลี่ยนในเวลาอันรวดเร็วด้วยนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าถ้าเราลงมือทําจริงๆนะทำถูกต้องตามที่ท่านสอนไม่เนิ่นช้าหรอกเราจะพบเลยว่าถ้ารู้ทุกข์แก่มแจ้งก็เป็นอันละสมุทยัยละอัตโนมัติเลย สมุทัยไม่เกิดตันหาไม่เกิดอีกนะถ้าตันหาไม่เกิดนะก็แจ้งพันธิฐานอยู่ตรงนั้นนะแจ้งนิโรธอยู่นะการรู้ทุกข์ละ ส, สมุทยัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคเกิดในขณะจิตเดียวกันนั่นเองนะะพวกเราต้องฝึกนะเนีย่ยมีโอกาสยังทันอยู่บางคนก็อายุเยอะหน่อยบางคนอายุน้อยอย่านึกว่าผู้ใหญ่ต้องตายก่อนเด็กนะเด็กตายก่อนผู้ใหญ่ไปเยอะแล้วงั้นเราอย่าประมาทนะยังหนุ่มยังสาว ท่าเปลี่ยนเข้านะเอาท่านนี้ก็แล้วกันครับกราบขอบพระคุณหลวงพ่อปราโมน้นนะครับที่ได้เมตตาให้หลักให้งานสามข้อในการเจริญจิตตภาวนาให้พวกเรานะครับผมลําดับต่อไปนะครับหลวงพ่อท่านได้เมตตาที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนานะครับขอเชิญท่านที่จะสอบถามคําถามนะครับได้เชิญนั่งที่ด้านหน้าโต๊ะหลวงพ่อเลยนะครับผมมาร์ี่เลยมา กับหลวงพ่อครับเขาโอกาสไม่ได้ไปส่งกันบ้านเกือบสองปีนะครับอันนี้ช่วงนี้ผมภาวนาแล้วผมเห็นผมจะภาวนาทําสมาะช่วงก่อนนอนกระตุนนอนตอนเช้าอันนี้ตอนที่ดูใจตัวเองเนี่ยมันจะเห็นว่ามันข้างเห็นเป็นธาตุสีเห็นมีความร้อนดูใจทําไมไปเห็นธาตุสีอะ คือพ อ, พอเห็นธาตุสีแล้วก็จะเห็นว่ามีตัวหนึ่งเป็นตัวรู้ อ, อ๋อทะเยอทะยา น, นดูกายครับอทะยา น, นดูธาตุดีแล้วตอนที่มีตัวรู้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตอนที่เรารู้รธาตุสีเนี่ย ม, มันมันจะรู้เป็นช่วงๆคือมันจะรู้แบบรู้เป็นธาตุเองก็เกิดดับไม่ใช่ครับรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ได้อยู่ต่อเ น, นื่องตลอดไม่มีรหรอกมีแต่เกิดแล้วดับแล้วก็เห็นในตัวตัวที่รู้เนี่ยมันก็คิดว่าตรงนั้นเป็นตัวเราแต่ว่า ไอ้ตัวเรามันก็ไม่ไม่นิ่งมันก็มันก็เกิดมันก็เกิดดับตลอดเวลาอืคราวนี้ระหว่างที่ในระหว่างวันก็รู้อารมณ์ตัวเองเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับว่ามันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันไม่เป็นกลางมันรู้สึกรู้สึกเหมือนกับว่ามันยังละอาไรอาวรอืนความเป็นตัวเราอยู่ยังไม่พอนะครับ ยังไม่เห็นทุกเห็นโทษหรอกวางไม่ได้ต้องดูอีกตรงนี้ช่วงนี้นี่ที่ผมขาดที่มันยังวางไม่ได้เพราะว่าผมยังทําไม่พอหรือเปล่าครับเลยถึงว่ายังเห็นไม่พอจิตในการเดินปัญญานะจิตต้องถึงฐานจริงๆต้องตั้งมั่นจริงๆนะถ้าจิตเรากระจายกว้างๆออกนอกไปเนี้ยมันเหมือนเหมือนรู้นะแต่มันไม่รู้จริงนะนั่นเราต้องมาสังเกตจิตเวลาจิตไหลไปคิดให้รู้ทัน หรือเวลาที่เราย้อนมาดูจิตดูใจเนี่ยพอย้อนมาแล้วถ้ามันเด้งออกนะแสดงว่ามันเข้าฐานไม่ได้เลยตอนที่รู้ส่วนใหญ่มันจะรู้สึกเหมือนกับอยู่ตรงตรงหน้าอยู่ตรงไหนไม่สําคัญนะออรู้ด้วยใจที่เป็นกลางเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่ถ้าจิตไหลไปคิดเนี่ยรู้ตัวนี้บ่อยๆหักในรูปแบบบ่อยไหมก็ก่อนนอนแล้วประมาณสักสินาคือตอนก่อนนอนนี่จะไม่ได้นานมากเพราะว่ามันมันไม่ไหวลวน แต่ว่าตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยมันจะจะสงบบางครั้งก็คือนั่งไปนานคือนั่งวันไหนมันสงบแล้วนะก็มานั่งคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดนะเราจะมาฝึกให้ได้ตัวรู้ที่เข้มแข็งได้ตัวรู้ที่เข้มแข็งแล้วต่อไปการเจริญปัญญาจะเป็นเรื่องคล่องแคล่วว่องไวง่ายนะแต่ถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นจริงๆนะมันเดินปัญญาได้ไม่จริงมันจะเห็นว่าตัวอื่นนะไม่เที่ยงนะแต่ตัวรู้มันบางทีมันเที่ยงได้ ของคุณสิ่งที่ต้องเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งนะคือสมถะนะทําความสงบจิตบ้างไม่งั้นจิตจะฟุ้งไปถ้าจิตฟุ้งเดินปัญญาได้ไม่ดีเหมือนน้ากระเพื่อมนะเราจะมองของที่อยู่ใต้น้ําไม่ชัดหรอกขอโอกาสับหลวพ่อสมมติเราฝึกฝึกไปบางทีบางทีมันก็กระจายใช่ไหมครับบางทีแมา จ, จะเกิดจากเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเงี้ยเราจะเป็นไปได้ไดครับทีนี้ ถ้าไม่ค่อยมีโอกาสไปหาหลวงพ่อเนี่ยเราจะมีหลักยังไงครับว่าคือ ถ, ถ้าไม่มีกัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์นะสิ่งที่ต้องใช้คือโยนิโสมนสิการต้องแยบขายต้องรู้จักฉลาดในการสังเกตเานาะว่าสิ่งที่เราเดินอยู่เนี่ยตกไปสู่ความสุดโตรงสองข้างไหมนะค่อยๆสังเกตค่อยๆดูนะระมัดระวังอย่างหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อเป็นคารวาสเหมือนพวกเราเนี่ยสมัยก่อนห่างครูบาอาจารย์ เดือนหนึ่งถึงจะเจอครูบาอาจารย์ทีหนึ่งเนะี่ยไม่ใช่ง่ายนะระหว่างนะั้นถ้าเกิดปัญหาเนี่ยอาศัยการสังเกตเอาดูเลยเช่นภาวนาไปแล้วจิตมันโลง่งมันว่างสบายอยู่ยงั้นนานนะต้องสังเกตให้ทําไมจิตเที่ยงจิตเที่ยงไม่น่าจะถูกแล้วแหะเพราะพระพุทธเจ้าว่าจิตไม่เที่ยงอนยะ่างเงี้ยใช้การสังเกตโดยเทียบเคียงเข้ากับคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สังเกตเอาตามใจนะ งั้นพึ่งตัวเองก็ได้แต่ว่ามีธรรมะที่พระเจ้าสอนไว้เป็นเป็ น, ปนาศาสดาเป็นตัวนําทางให้เราเยเมื่อ <นะ S 2> กี้ผมไปพักบ้างผมก็คิดว่ามันก็เริ่มดีขึ้นถูกต้องเพราะว่ามันเหนื่อยมากถูกถูกแล้วทําได้ดีนะตัวงพ่อถึงบอกเมื่อกี้มันเออเรอเพราะว่ามันเหนื่อยเต็มทีเอการนมัสการหลวงพ่อครับ อ, อ ผมได้ไปส่งยาบ้านของพ่อเมื่อต้นกุมภาเนี้ยขาดปีนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หลวงพ่อก็บอกให้ปฏิบัติให้มากขึ้นก็ได้พยายามกลับมาปฏิบัติมากขึ้นนะครับก็ปฏิบัติก็ตอนนี้ก็คือนั่งสมาธิก็ดูลมไปนะครับเริ่มต้นพอดูลมก็รู้สึกว่ามันมันหลงไปยาวเงี้ยครับผมก็เลยว่าดูใช้พุทโธด้วยก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ยังหลงไปเยอะอีกก็นับหนึ่งถึงสิบอะไรอย่างเี้ไปด้วยพุทโธแล้วก็ ก็คือก็จะดีขึ้นนะครับออนักเจ้าฉลาดนะฉลาดรู้ว่าทํากรรมฐานอย่างไรถึงจะไหวว่าเวลาจิตมันไม่ฟุ้งมากนะแค่พุทโธอย่างเดียวหรือหายใจอย่างเดียวก็อยู่แล้วครับถ้ามันไม่อยู่ก็เพิ่มเชือกขึ้นไปหลายๆเส้นหเลยถ้าจิตนีนตื้อครับก็บ ร, บรู้สึกว่ามันมันก็ดีขึ้นว่ามันก็รู้ว่ามันเผลอไปคิดบ่อยขึ้นเรื่อยๆครับเห็นไหมกายกับใจเป็นคนาน รู้รู้สึกครับหลวงพดูบ่อยๆนะครับกายก็ส่วนกายใจก็ส่วนใจสุขทุกข์ก็ไม่ใช่จิตนะโคลานกับจิตเห็นไหมอันนี้อยังไม่เห็นไปหัดไ ป, ไปหัดดูนะให้เห็นในสิ่งทั้งหลายมันไม่ใช่จิตเราจิตเป็นเป็นคนที่ไปรู้มันครับแล้วผมทาปฏิบัตินี่ถูกอยู่ไหมครับหลวงพ่อถูกสิถ้าไม่ปฏิบัติผิดเลยครับแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่า ความรู้สึกตัวในหลังจากนั้นมันยังน้อยไปอะครับหลวงพ่อรู้ว่าน้อยก็ดีหรือว่าน้อยก็เพิ่มมันข่กวภานาไปเ้วยไม่มีใครวิเศษมาเกิเกิดหรอกครับพวกเราทุกคนเกิดมาเพราะวิชาเหมือนกันหมดนะไม่วิเศษกว่ากันหรอกอยู่ที่อดทนเอาเรียนหลักให้แม่นรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไงนะแล้วลงมือทาให้เต็มที่เลย วบางทีที่ผมพอบอกให้รู้บางทีมันก็ยังรู้ยังไม่เป็นกลางรู้แล้วมันก็ยังโมโหอยู่อะไรไม่เป็นไร<ค>รู้ว่าโมโห่ดีแล้วครับไม่ใช่ให้รู้แล้วบอกว่าต้องเป็นกลางนะครับถ้ามันไม่เป็นกลางให้รู้ทันไม่มีคําว่าต้องในการทํำมิปัสนากรรมฐานครับมนะีแต่รู้อย่างที่มันเป็นครั บ, รบเพราะฉะนั้นอันแรกเลยรู้สภาวะอันที่สองรู้ปฏิกิริยาของจิตต่อสภาวะนั้นการนยินดีให้รู้ทันมันยินร้ายให้รู้ทันจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางด้วยสติ ถ้านะรู้มากเข้ามาเข้ามัเห็นทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับสุขเกิดระดับทุกเกิดระดับสุดท้ายมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาครับถ้าไม่เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญานี่มันใกล้ต่อมากผลนิพพานแล้เพราะนั้นอย่ไปบังคับจิตให้เป็นกลางนะคมวาจิตเหมือนเด็กไม่ชอบให้ใครบังคับค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ ก็คือเคยฟังซีดีหลวงพ่อแต่ไม่เคยตัวตจริงนะคะก็เป็นมือใหม่ในการฝึกภาวนามือใหม่ก็ดีนะพยายามทุกวันนี้ทุกวันนะทำตัวเป็นคนมือใหม่นะรู้สึกตัวขึ้นใหม่สดสดร้อนๆ้อนเลยรู้สึกลงปัจจุบันไปก็เวลาโกรธก็คือรู้อะค่ะแต่รู้แล้วก็ไม่เห็นยังวางไม่ได้ก็ยังโกรธไม่ได้้ฝึกวาง ก็เกิร no ouais. ู้ไปการตัดการวางนั้นเป็นหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่หน้าที่ของเรานะเรามีสติหน้าที่ระลึกรู้เป็นหน้าที่ของสติเราก็ฝึกให้สติเกิดขึ้นมาเรามาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้อะไรนะถ้าปัญญามันเกิดมันวางของมันเองเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะละกิเลสนะเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาวันนี้ไม่เอาวันนี้ หรบางทีลงพ่อบอกต้องมีผู้รู้ผู้รู้นะ่าควรอยากได้ตัวผู้รู้จะต้องรู้ย4ิบสี่ชั่วโมงไม่ใช่นะเรามีตัวรู้ขึ้นมาชั่วแว็บเดียวเท่านั้นเองก็พอลนะเดิมเราจิตเราหลงตลอดนะหลงหลๆหลงหลหล ง, ล ง, ล ง, ลงยาวเป็นเนื้อเดียวกันพอเรามีตัวรู้เราหลงไปแค่นี้นะรู้สึกได้แค่นี้หลงไปแค่นี้รู้สึกแค่นี้นะมีตัวหลงขึ้นมาเพื่อขั้นตัวรู้ให้ขาดออกไป มันจะต่อไปมันจะเห็นนะว่าจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็บังคับไม่ได้จิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็บังคับไม่ได้จิตทุกอย่างนะเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้แล้วจะมุ่งไปให้เห็นอย่างนี้นะ<ฮ>ไม่ใช่มุ่งเพื่อว่าจะต้องจิตต้องดีตลอดจิตต้องเป็นผู้รู้ตลอดจิตจะต้องไม่มีกิเลสนะไม่มีคําว่าต้องนะรู <c oughs> <ๆ>้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยอย่าไปบังคับมันบังคับมือมันเหนื่อยนะแล้วที่ปฏิบัตินี่ต้องปรับปรุงยังไงคะแล้วต้องขอพระเจ้า ค่ะควรแนะควรจะปรับปรุงยังไงหรือทําตัวยังไงดีคะพระอาจารย์อันแรกเลยปรับเป้าหมายเป้าหมายของการปฏิบัตินะไม่ได้ปฏิบัติเอาดีไม่ได้ปฏิบัติเอาสุขไม่ได้ปฏิบัติเอาสงบแต่ให้เห็นว่าดีก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงนะดูอย่างนั้นไปแล้วถ้ามันไม่เป็นกลางขึ้นมาให้รู้ทันเก็เท่านั้นแหละไม่ยากหรอกง่าย สงสารเด็กเนีอยให้เด็กส่งกันบ้านทีหลังนั้นเด็กเครียดการนวัสการหลวงพ่อนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาส่งกันบ้านอืมมีหน้า่ะเป็นครั้งแรกที่หลวงพ่อจะตอบเราแล้วก็จะถามว่าผมเคยนั่งสมาธิไปเรื่อยๆนะครับแล้วอยู่ๆมันก็มีภาพความคิดเข้ามาใน ดวงจิดเหรอครับแล้วจะถามหลวงพ่อว่าควรจะท ำ, ทำอะไรไม่ทําอะไรเราเห็นภาพของความคิดผุดขึ้นมาได้แล้วแล้วมันก็ผ่านไปเหมือนเราดูหนังนะแต่มันมีเคล็ดลับอยู่อันหนึ่งมากับใครหลานเนี้ยมากับคุณแม่ช่วยจําด้วยนะเวลาที่เราดูภาพในใจนะเหมือนเราดูจอหนังเนี้ยระวังอันเดียวอย่าให้จิตเราไหลเข้าไปอยู่ในจอให้ดูอยู่ห่างๆนะดูเหมือนดูคนอื่น เราเห็นภาพความคิดผ่านไปนะเหมือนเราเห็นรถวิ่งอยู่บนถนนแต่เราอยู่ในบ้านค่อยๆฝึกนะเราจะเห็นเลยภาพความคิดมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปใจของเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากถ้าเราเห็นภาพความคิดเกิดขึ้นแล้วใจเราไหลเข้าไปอยู่ที่ภาพนะนะอันนี้จะกลายเป็นเพ่งภาพไว้เฉยๆอย่างนั้นไม่ดีเราะนั้นอย่าให้จิตไหลเข้าไปในโลกของความคิดแล้วมีข้อนึงนะครับ ต้นกำเนิดของวัฏจักรชีวิตนี่กําเนิดขึ้นอย่างไรไม่รู้อันนี้เคยมีคนถามหลวนะงปู่เทศนะบอกหลวงปู่ทาไมหนูต้องเกิดมาด้วยร้องไห้มาเลยนะเราไม่รู้ท่านตอบถูกเป้เลยเพราะอาวิชาก็ไม่เข้าใจร้องต่อไปแนะล้วพระคร่ำขวนหลวงปู่ทาไมหนูต้องเกิดมาด้วยปู่ก็ซ้ําอีกเราไม่รู้ จะถึงครั้งที่สามนะร้องอีกทําไมหนูต้องเกิดมาด้วยเพราะไม่รู้คราวนี้หยุดร้องเลยหันไปมองหน้าหลวงปู่หนวงปู่ไม่รู้แล้วใครจะรู้ทําไม่เราเวลาต้องเวียนไหวเนะี่ยเพราะว่าเรามีความไม่รู้แจ้งเราไม่รู้แจ้งในธาตุในขันเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นของดีของวิเศษถ้าเมื่อไรเราแจมแจ้งในธาตุในขันนะว่าเป็นตัวทุกข์เนี่ย เราจิตมันจะลากออกจากขันนะจิตจะไม่ไปสร้างขันใหม่ขึ้นมาอีกแม่ต้องไปช่วยแปลนะหลวงพ่อสอนเด็กไม่เป็นต้องเห็นใจบ้างนะแล้วตอนแรกที่จักรวาลเนี่ยครับมีแต่ความว่างไม่มีอะไรเลยแล้วมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรหลวงพ่อเกิดไม่ทันไม่รู้เหมือนกันหนูไม่ต้องไปดูไกลนะ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราดูจั ก, กรวาลเท่านอกหรอกท่านสอนให้เราดูความหมุนเวียนวัฏ ต, ตะที่หมุนอยู่ภายในใจของเรานี้นะ่ะจิตของเรานะหมุนติ้วติว ต, ตอยู่ทั้งวนันทั้งคืนนะเคยเห็นไหมภาพความคิดเนี่ยไหลเข้ามาตลอดเวลาหมุนอยู่อย่างนี้นความสุขความทุกข์ไหลหผ่านเข้ามาตลอดเวลาไม่ต้องไปเรียนไกลหรอกหรือว่าเป็นพระโพธิสัตว์นมั่งเนี่ยฮะอยากเป็นพระพุทธเจ้า่็ ก็อยากบรรลุธรรมในชาตินี้เลยอะไรนะอยากอะไรนะอยากจบในชาตินี้เหรออ๋ออยากจบในชาตินี้ไม่สนใจข้างนอกนะเคยดูจักรวาลในจิตของเรานี้วัตตะหมุนอยู่ในจิตของเรานี้ตลอดเวลาเลยหลวงพ่อตอบเด็กไม่ค่อยเปิดขนาดหลวงพ่อพูดกับผู้ใหญ่อย่างยากเลยค่ะ ข, ขอกับนมัสการหลวงพ่อค่ะ ก็เคยนั่งสมาธิช่วงหลังจะนั่งสมาธิเยอะจิตตอนนี้กับแต่ก่อนเหมือนกันไหมต่างกันเยอะมากเลยค่ ะ, <น>ะเพราะว่าการประคองอก็เกิดขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ในขณะนี้ก็มีความตื่นเต้นไม่ไดสงสัยอะไรอที่สงสัยว่าในขณะที่เรานั่งเห็นความารู้สึกอารมณ์เนี่ยแล้วเราจะต้องไปดูอะไรกับมันอีกครับอาจารย์ในขณะที่นั่งสมาธิใช่ไหมคะ เห็นเพียงแค่ความรู้สึกกับอารมณ์อืแล้วในขณะที่มาทํางานเนี่ยก็เห็นมีเพียงแค่ว่าความรู้สึกอารมณ์ที่อยู่ก็มีท่านนั้นถ้ามีอะไรแปลกปลอมเพราะมาในใจเราก็ค่อยรู้ทันเอาถ้าไม่มีอะไรโดดเด่นนะอะไรสติระลึกรู้อะไรก็รู้วันนั้นแหละทุกอย่างสอนธรรมะเรื่องเดียวกันสอนไตรักเหมือนกันหมดเลยเราเรียนให้เห็นไตรักนะของความปรุงแต่งทั้งหลาย ตัวจิตก็ตกอยู่ใต้ใจรักอารมณ์มันก็ตกอยู่ใต้ใจรักอารมณ์ประมาทนะตกอยู่ใต้ใจรักนันแสดงว่าก็แทบจะมีเพียงแค่มีแค่ร่างกายกับมีเพียงแค่พลังงานที่ทำใช่มันก็ดูเป็นทํางานไปนะไม่มีเราตรงไหนเลยดูอย่างนั้นเรื่อยๆแต่อย่ให้ใจซึมนะนี่ค่ะติดซึมค่ะเราอยาให้มันซึมมันจะแก้ยังไรครงคะพยายามรู้สึกตัวนะแล้วความรู้สึกให้แรงขึ้นนิดนึงเพิ่มสติขึ้นนิดหนึ่ง แล้วถ้าจิตมันซึมให้รู้ว่ามันซึมลงไปเพราะว่าช่วงหลังนี้ก็จะอยู่แต่แกับที่น่ะอยู่อยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยกระตุกกระดิกไปนะหาอะไรหาผัดสะเข้ากระตุกกระดิกไปอย่าให้จิตติดซึมติดเฉยคนักปฏิบัติซึมไม่ดีนะนักปฏิบัติต้องแอคทีฟการกลับขอพอบคุณค่ะกลับนมัสการครับปฏิบัติมาหลายปีแล้วครับแต่ว่าก็ขึ้นขึ้นลงลง ธรรมดามวันนี้พูดเริ่มต้นก็นเรื่องอันนี้จังละครับถูกก็สิปฏิบัติมันเจริญได้อย่างเดียวเรื่องต้องขึ้นขึ้ น, นลงๆลงถูกแล้วนะนี่จะขอแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมนะครับดูไปเลยมีแต่ขึ้นกับลงบมีแต่ของบังคับไม่ได้แต่ว่าปฏิบัติไปด้วยนะการที่เราปฏิบัติสม่ำเสมอเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่าเดี๋ยวจิตก็เจริญเดี๋ยวจิตก็เสื่อมเนี่ยเป็นเรื่องดีถ้าเราปฏิบัตินะ แล้วจิตก็จเจริญแล้วเราก็ขี้เกียจหยุดแล้วจิตเสื่อมอย่างนี้จะไม่เกิดปัญญาเราจะรู้สึกนะว่ากูนะเก่งนะแต่เนี่ยกูขี้เกียจไม่ปฏิบัติก็เลยเสื่อมแล้วกูปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ดีมันั่นแนหะกลายเป็นกูเก่งไปซะอีกนะแต่ทั้งๆ ท, ที่เราทําทุกวันเหมือนๆกันนะอินพุตเนี่ยเราทําเหมือนกันเลยทุกวันนะภาคเปลี่ยนไปเอาพุตไม่เคยเหมือนกันเลยมันจะเริ่มรู้สึกว่ากูไม่แน่จริงแนละ้วเราบังคับมันไม่ได้ เพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยมีแต่เจริญแล้วเสื่อมถูกต้องแล้วแล้วก็เรายอมจิตมันยอมรับความจริงตรงนี้ได้นะสิ่งทั้งหลายไม่อยู่ในอำนาจเลยตรงนี้ต่างหากที่จะเป็นธรรมะตรงธรรมะไม่ใช่เกิดจากเพราะว่าเราฝึกจนเจริญถาบอนนะความเจริญได้ก็เสื่อมได้เป็นธรรมดาเมื่อเราฝึกจนเห็นความจริงว่าเกิดได้ก็ดับได้เจริญได้ก็เสื่อมได้แต่จะเห็นตรงนี้นะต้องทำสม่ำเสมอถ้าทำทำหยุดๆุดจะไม่เห็น สมัคเสมอหรือยังยังครับเอ้าไปทําซะทุกข์ครับสงสารเด็กหลูงพ่อพูดกับเด็กนะไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะครับกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนาให้พวกเราทุกคนได้รับฟังนะครับลําดับต่อไปพวกเราจะร่วมกันถวายสังฆทานแต่หลวงพ่อนะครับกระผมจะขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกท่านนะครับเป็นผู้กล่าวนําคําถวายสังฆทานนะครับข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทยธรรมพร้อมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปาโมดปาโมดโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัว ตราบสิ้นการลานานเทินครับและยอดปัจจัยที่ทุกท่านได้ร่วมกันถวายแด่หลวงพ่อนะครับถึงณเวลานี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1 8 0่ง0สบาทขอทุกท่านได้ร่วมกันนึโมทนานะครับเยาถาวารีมหาปุราปริปุเรนตีสาครัง เอวามีวาอิโตดินนางเปตานังอุปกปติอิชิตังพฏิตังถุมหังคิปเมวาสมิจตุสเพปูเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยถามนิโชติรโสยถาสปีติโยวิวัตชตุสพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะ อาภิวาธนาสีลิสนิจังมุทาปจัยโนจัตตาโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุ ข, ขังพลังครับก่อนจบการแสดงธรรมในช่วงนี้ขอทุกท่านได้พนมมือกราบหลวงพ่อพร้อมๆกันสามครั้งนะครับกราบกราบกราบ